พลังจิตท่านพ่อลีท่านเล่าถึงพลังจิตของท่านอาจารย์ดีแห่งวัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการดังนี้ พูดถึงเรื่องจิตอย่างสมัยปัจจุบันนี้นะคือทำไมถึงทราบกันได้ก็ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันน่ะสิพระกรรมฐานประสานกันอยู่ตลอดเวลาพวกเราคราวาดไม่ค่อยทราบกันภาคปฏิบัติทางด้านจิตตะภาวนาองค์ไหนเป็นอย่างไรอย่างไรท่านจะทราบกันอยู่อย่างลึกลับอยู่ภายในของท่านนะ ในระหว่างพระกรรมฐานด้วยกันแต่คนภายนอกนั้นไม่ทราบเพราะท่านไม่พูดเวลาไปไหนพระกรรมฐานเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมจริงๆเราจะไม่ทราบเลยเหมือนกับผ้าคีริว้วห่อทองท่านไม่ได้มุ่งพูดอะไรต่ออะไรนั่นหละถ้าความเป็นธรรมจริงๆแล้วจะไม่มีโลกามิส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 หัวเราต้องขมำท่านว่าอย่างนั้นนั่นนะเห็นไหมนั่นไม่ใช่เล่นนะพอเสร็จแล้วแล้วท่านก็ยืนอยู่นะพอเห็นทั้งนั้นขยุกขยิกขยุกขยิกมันจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนี่นะพอเสร็จแล้วท่านก็หยุดพอหยุดแล้วก็นั่งละ่ะโอ้ยดือ้อหลวงตาพูดอย่างขบขันท่านอาจารย์ลีพูดอย่างนี้